เรียนมัธยมคนหนึ่งอายุก็รุ่นราวเขาจะกับพวกเราหลายคนในที่นี้ไปอยู่หอพักเพราะว่าโรงเรียนกลับบ้านนี่มันอยู่คนละจังหวัดวันหนึ่งพ่อก็โทรศัพท์มาตักเตือนลูกเพราะว่าลูกใช้เงินเปลืองแล้วก็การเรียนก็เริ่มจะ ถดถอยนะีเ น, นื่องจากลูกนี่พออยู่ออพักแล้วก็อิสระแนละ้วก็หลงกับแสงสีลงหลงไหลกับความสนุกสนานพ่อก็ลืมโทรไปเตือนลูกก็คงไม่พอใจนะเพราะว่าพ่อจะเตือนรุนแรงก็เกิดการมีปากเสียงกันขึ้น เราก็ใช้อารมณ์พูดจาไม่ดีกับพ่อเสร็จแล้วก็เสียใจรู้สึกว่าพูดกับพ่อแรงไปนะแล้พ่อก็หวังดีนะมาตักเตือนแทนที่เราจะรับผิดปรับปรุงตัวแก้ไขกับเถียงเมื่อรู้สึกผิดแล้วก็อยากจะขอโทษ แต่ว่าก็ไม่ยอมโทรไปขอโทษพ่อคิดว่าเอาไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันพอถึงวันรุ่งขึ้นก็ไม่โทรไปอีกนะก็คิดว่าหรือให้อ้างว่าเอาไว้ไปเจอตัวพ่อเองก็แล้วกันอีกสองนาทีก็กลับบ้านแล้วค่อยไป ค่อยขอโทษกับพ่อต่อหน้าแล้วกันแล้วก็ก็เลยผัดผ่อนหลังไม่ได้โทรไปปพราว่าไม่ถึงสองอาทิตย์นะ น, นะก็ได้โทรศัพท์นะจากแม่ว่าพ่อเสียชีวิตละจากอุบัติเหตุแกก็เสียใจมากนะไม่ใช่แค่เสียใจที่พ่อตายไปเท่านั้นแต่ว่าเสียใจที่ ไม่ได้มีโอกาสขอโทษพ่อในขณะที่พ่อยังมีชีวิตยอยู่ันเป็นความรู้สึกผิดนะที่ติดค้างใจผ่านมา 20-30 ปีนะอายุ40แล้วก็เวลานึกถึงเหตุการณ์นั้นก็เสียใจว่าทำไมเราไม่รีบขอโทษพ่อ ตั้งแต่วันนั้นหรือแม้แต่วันรุ่งขึ้นก็ยังมีโอกาสที่จะขอโทษพ่อได้แต่ว่าเพราะผัดผ่อนนะไอ้ความผัดผ่อนนี่ก็ทำให้ไม่มีโอกาสได้ขอโทษพ่ออีกเลยก็เป็นความรู้สึกผิดที่เจ็บปวดมาก็จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ อีกคนหนึ่งนี่เป็นเป็นผู้หญิงนะตอนเป็นนักเรียนมัธยมก็มีเพื่อนผู้ชายนะแต่ไม่ใช่เป็นแฟนกันนะเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมากตอนเป็นนักเรียนมัธยมตอนหลังพอเข้ามหาวิทยาลัยก็แยกแย้ายกันไปเรียนคนละมหาลัยแต่ว่าก็ยังมีการโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกันสม่ําเสมอแม่เวลาคุยก็คุยกันนานทีเดียวเพราะว่าสนิทสนมกันมาก หยอกล้อกันแล้วก็มีช่วงหนึ่งเพื่อนผู้ชายนี่ก็โทรมาทุกคืนเลยคุยก็คุยแบบหยอกล้อพูดสัพเพสสารพัดจนบางทีก็ดึกดื่นคนที่เป็นผู้หญิงนี่เขาก็มันก็มีช่วงหนึ่งที่ต้องช่วงนั้นแหละนะเป็นช่วงที่ต้องทำรายงาน เขาไม่ได้คิดที่จะไปก๊อปรายงานจากใครเขาคิดว่าจะต้องทำรายงานด้วยตัวเองก็เลยอยู่ดึกแต่เพื่อนผู้ชายก็โทรมาคุยเขาก็รู้สึกลาคาญวันวันแรกก่อนแล้ววันที่สองก็มาอีกนะพอลาคาญมากๆเขาก็เลยพูดจาต่อว่าไปดึกดื่นแล้วนะไม่เรียนหนังสือหรือไงนะ ที่จริงคงจะว่าแรงกันนั้นด้วยซ้าเสร็จแล้วก็เพื่อนก็เลยไม่ไม่ว่าอะไรนะก็วางหูไปขเขาเองก็ยังคุนเคืองเพื่อนอยู่นะก็ไม่ได้คิดอะไรในใจก็ยังนึกอยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรไหมก็เปล่าเนี่ยคราวนี้จะด่าให้แร ง, แรง วันรุ่งขึ้นก็ไปเรีย น, นมาหาลัยประมาณสายๆก็ได้โทรศัพท์จากแม่ของเพื่อนคนนี้บอกว่าเพื่อนเสียชีวิตละคืนนั้นเขาก็ขับรถไปคงจะไปเซเว่นนั่นนะขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปเจอรถสิบล้อเขา ก็เลยตายคาที่เลยคนที่เล่านี้ซึ่งเป็นผู้หญิงเขาก็ตกใจมากที่เพื่อนเราได้ตายจากไปแล้วก็มีความรู้สึกผิดด้วยว่าเราไม่น่าไปพูดจารุนแรงกับเพื่อนเมื่อคืนเลย เธอคิดต่อไปโดยซ้ำมาถ้าเกิดว่าพูดจาหรือคุยกับเพื่อนดีๆคืนเมื่อวานนี้เนี่ยบางทีเพื่อนอาจจะไม่ออกไปข้างนอกเพื่ อ, อ จ, จะกุ้มใจก็ได้ จ, จะไปร้านเซเว่นเพื่อที่จะไปซื้ออะไรมาคลายความเครียดมถ้าเธอพูดดีๆกับเพื่อนเพื่ อ, อ จ, จะไม่ไม่ตายในคืนนั้นก็ได้ก็เสียใจมากโดยเพราะการที่พูดไม่ดีกับเพื่อน ผู้หญิงคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเพื่อนจะต้องตายในวันนั้นเนี่ยเขาก็แน่จดแน่นอนหรือว่าจะไม่พูดรุนแรงอะไรกับเพื่อนในคืนนั้นจะทําไมเธอถึงพูดจาระบายใส่อารมณ์กับเพื่อนพอเธอคิดว่าพรุ่งนี้มาลือนนี้ เกิดพูดอะไรไม่ดีไปเดี๋ยวก็ขอโทษก็ได้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ขอโทษเพราะว่าเพื่อนไปซะก่อนมันเป็นการจากไปที่เร็วมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดวิสัยของของโลกนี้นะเพราะว่าโลกนี้นี่คนเราไม่เลือกเวลาตาย แล้วก็ไม่เลือกไว้ที่จะตายด้วยนะความตายมันมามันพร้อมจะมาได้ทุกเวลานะไม่ใช่ต้องรอให้แก่ก่อนนะถึงจะตายแต่ถึงแม้จะมีอายุมากนะเช่นคนที่เป็นพ่อเราแม่เราแต่คนส่วนใหญ่หรือผู้ที่เป็นลูกนะ ก็มักจะคิดว่าเขาจะอยู่ไปได้อีกนานอย่างนักเรียนที่ไปอยู่หอพักเนี่ยนะเขาคิดว่าพ่อเขาคงจะอยู่ได้อีกนานหรืออาจจะไม่เคยคิดเลยว่าพ่อของเขาจะต้องตายถ้ามีคนจานวนไม่น้อยนะนักเรียนนักศึกษาเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่เคยคิด ไม่เคยนึกอยู่ในหัวเลยว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่ของตัวเองนี่จะต้องตายเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพ่อเห็นแม่แล้วเราก็เห็นอย่างนี้ทุกวันเห็นอย่างนี้ทุกปีจนกระทั่งคิดว่าเขาก็จะอยู่กับเราอย่างนี้แหละไปชั่วฟ้าดินสลายอันนี้เป็นความหลงอย่างยิ่งนะ้วก็ทำให้เกิดความประมาท เพราะว่าพ่อคิดแบบนี้แล้วนี่ก็ไม่ได้ใส่ใจในการที่จะทำความดีกับคนที่ตัวเองรักก็ทำตามอำเภอใจอย่างนักเรียนที่อยู่หอพักนี่ก็ไม่พอใจพ่อก็ว่าไปต่อว่าพ่อพ่อมาเตือนไม่ฟัง ใช้คำรุนแรงกับพ่อและแม่จะรู้สึกผิดนะแต่ว่าก็ยังประมาทคิดว่าพรุ่งนี้ก็ได้ถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังประมาทอีกเอาไว้สองอาทิตย์หน้าก็ได้เพราเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วนี่คือความประมาทนะความประมาทคือความคิดว่ายังมีเวลา จึงผัดผ่อนแล้วก็ให้เดานะถ้าเกิดว่าพ่อไม่ตายแล้วก็าได้กลับไปกลับไปบ้านสองอาทิตย์หลังจากนั้นอาตมาว่าเ้าคงจะไม่ขอโทษอริงแหลก็คงจะมีข้ออ้างไปเรื่อยๆหรือมีข้อเหตุผลผัดผ่อนไปเรื่อยๆคนเราเนี่ยนะแม้ว่าจะรู้ว่าอะไรดีแต่ก็จะไม่ค่อยอยากทำหรอก จะมีข้ออ้างเพื่อที่จะพัดผ่อนไปเรื่อยๆอย่างนักเรียนนะบางทีก็รู้ว่าได้เวลาสอบต้องเรียนหนังสืออาจต้องดูหนังสือแล้วนะต้องเริ่มทํารายงานตั้งแต่วันนี้แล้วต้องเริ่มดูหนังสือแต่วันนี้แล้วแต่ก็จะพัดผับไปว่าอีกสองอาทิตย์นะกว่าจะสอบอพรุ่งนี้ก็ได้มนุษย์เราเนี่ยมันมีสองอย่างขัดแย้งในตัวก็คือเรามี สมองที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้คล้อยตามสมองด้วยสมองบอกว่าต้องทํารายงานตั้งแต่วันนี้ต้องขอโทษพ่อได้แล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันมันไปคนละทางเลยมันไม่อยากมันไม่ยอมมันก็จะอ้างเหตุผลเพื่อจะได้ผัดผ่อ และเราก็มักจะหลงเชื่อเหตุผลของของกิเลสซึ่งครอบงำใจตัวนี้ด้วยก็เชื่อมันเสร็จแล้วก็ปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปนะพ่อมีเวลาอยู่ไม่ถึงสองอาทิตย์นะก็ปล่อยให้พ่อปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายราคาจ่ายยังไงจ่ายด้วยความรู้สึก รู้สึกผิดนะติดค้างมายี่สสาสิปีนี่ถ้าคิดเป็นเงินแล้วนี่โอ้มันคงหลายแสนทีเดียวนะที่ทุกใจถ้าหากว่าเพียงแต่ตัดสินใจเออโทรสับไปขอโทษพ่อคืนนั่นหรือโทรสับไปขอโทษพ่อวันรุ่งขึ้นชีวิตก็จะปลอดโปร่งนะไม่มีเสี่ยนต่ำจิตอย่างที่เป็น คนเรานี่มักประมาทนะมักคิดว่าความตายเนี่ยของคนที่เรารักเนี่ยมันยังอยู่อีกนานหรือจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ที่จริงแล้วความตายนี่มันมันอยู่ใกล้เรามันอยู่ใกล้คนที่เรารักมากทีเดียวอ่าพาสิทิเบนนี่เขาบอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนเราจะไปคิดว่า มีพรุ่งนี้ก่อนถึงค่อยมีชาติหน้านะนคิดอันนี้ประมาทมากเพราะว่าสําหรับหลายคนวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาคนจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยไม่มีพรุ่งนี้อย่างเพื่อนผู้ชายนะที่เขาโทรศัพท์มาคุยกับเพื่อนผู้หญิงเนี่ย <Okay. S 1> คืนนั่นก็เป็นคืนสุดท้ายของเขา ไม่มีใครรู้เจ้าตัวก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้เนี่ยเธอจะพูดจะยุนแรงพูดจะระบายใส่อารมณ์ให้กับเพื่อนไหมก็คงไม่พวกเราคงจะไม่ทําอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเกิดเรารู้ว่าเพื่อนของเราจะอยู่วันนี้วันสุดท้ายถ้าเรารู้ว่าเขาจะอยู่วันนี้วันสุดท้ายนี่เราจะ พูดจา ก, กับเขาด้วยคพูดที่ไพเราะเอาใจเขาเทคแคร์เขาเราจะไม่พูดก็โชคโคกหากต่อว่าเขาแม้เขาจะทำตัวน่ารำคาญยังไงก็ตามแต่เป็นพ่อเราไม่รู้ไงไม่รู้ไม่พอเรายังหลงคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปนานเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้ อันนี้คือความคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับคนจนํานวนไม่น้อยที่ต้องเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดติดค้างใจไปอีกนานเหตุผลเดียวคือความประมาทความประมาทเพราะหลงคิดว่าความตายยังอยู่อีกไกลพวกเรานี่ต้องเตือนใจตัวอยู่เสมอนะว่าความตายมัน มันอยู่ใกล้คนที่เราลักพ่อแม่เพื่อนฝูงคนรักและยิ่งกนั้นมันก็อยู่ใกล้ตัวเราด้วยเรื่องเล่ากรณีแรกที่รู้สึกผิดกับพ่อแล้วก็พ่อจากไปยังไม่ทันได้ตันไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะกลับกันก็ได้คือว่าพ่อยังอยู่นะแต่ว่านักเรียนเกิดเมียนเป็นไปซะก่อน ก็จะมีความรู้สึกผิดเหมือนกันนะว่าเราจะไปแล้วเราไม่ได้ขอโทษนะไม่ได้ขอโทษพ่อมีนักเรียนคนหนึ่งอายุสิบสี่นะป้าก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้อันนี้เป็นนักเรียนต่างจังหวัดพอได้มอเตอร์ไซค์ก็สนุกเลยเซ่นนะขับขีน่นะ เลิกเรียล้วก็ล่อนมอเตอร์ไซค์กว่าจะกลับบ้านก็ค่ำก็ดึกพ่อก็ต่อว่านะลูกก็เถียงก็เกิดปากเสียงขึ้นมาพ่อก็ด่าลูกอย่างแรงลูกก็โมโหก็ขับออกไปบอกว่าไปไม่ถึงไหนนะแหกโค้งชนเสาตายทไมถึงตาย แค่สมองตายสมองตายก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลพ่อนี่ก็เสียใจมากบอกหมอว่าทาทุกอย่างอย่าให้ลูกตายหมอก็ทานะแต่ว่ามันไม่เกิดอะไรดีไม่เกิดผลอะไรดีขึ้นมาเพราะว่าลูกก็สัญญาณชีพก็แย่ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าตานีเปิดตลอดเลยนะ โดยพ่อวันท้ายๆพ่อก็ทำใจไม่ได้ตอนหลังก็ทำใจได้ว่าจะยื้อต่อไปนี่ก็ทรมานลูกสิ่งที่พ่อทำนะก็คือไปพูดกับลูกนะกอดลูกแล้วบอกขอโทษลูกแล้วขณะเดียวกันก็บอกว่ามีเรื่องที่ไม่สบายใจก็ขอเข้ามาซึ่งกันแลกกันก็แล้วกันนะ บอกว่าลูกนี่ซึ่งตาเปิดตลอดนี่นะค่อยๆปิดตาค่อยๆหลีตาลงนะแล้วก็สัญญาณเชี่ยวค่อยลดลงลดลงจนกระทั่งตายในในอ้อมกอดของพ่ออันนี้ก็น่าแปลกนะว่าเด็กเนี่ย ก, ก็ตาเปิดตลอดจนกระทั่งพ่อได้มาพูดความในใจกับเขาทั้งขอโทษด้วยแล้วก็ให้อภัยลูกด้วย บางทีลูกอาจจะตายไม่ได้เพราะยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ให้อภัยพ่ อ, อยังไม่ได้ขอโทษพ่อแต่ว่าพอได้มีการสาสรสามความในใจก็เขาก็พร้อมที่จะตายอันเด็วก็คงไม่คิดนะว่าตัวเองจะตายเร็วอย่างนั้นแต่ถึงตอนนั้นเราถึงค่อยคิดแล้ว่าเอออยากจะขอโทษพ่อนะเพราะว่ า, าได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไห้ความตายมันมาเร็วมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่าประมาทอย่าประมาทกับชีวิตดูนะถึงแม้ความตายจะไม่มาเร็วแต่อาจจะความเจ็บความป่วยความพิการอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งจิตให้อยู่ในความไม่ประมาทอะไรมีสิ่งดีๆอะไรที่ควรทําก็อย่ารั้งรอ ต้องรีบทําแล้วก็ควรทําดีตลอดเวลาทําดีกับโดยเฉพาะกับผู้ที่เรารักเช่นพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณบางคนป้าหรือยายอาจจะเลี้ยงเรามาก็พยายามทําดีกับท่านอยู่ทุกวันปล่อยครั้งคนที่เรารักเนี่ยเขาอยู่กับเราทุกวันทุกวันจนกระทั่มันกลายเป็นจําเจไป เราจะปฏิบัติกับคนที่เรารักหรือคนที่มีพระคุณกับเราเนี่ยอย่างเฉยอย่างอย่างไม่ใส่ใจเท่าไหร่นะอาจจะไปถึกอาจจะไปพูดจาสุภาพกับกับคนไกลพูดจาดีกับเพื่อนนะใส่ใจเทคแคร์เพื่อนแต่กับพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณพูดจาไม่มีหางเสียง นี่พ่อเลยเพราะว่าเจอทุกวั น, นจนกระทั่งรู้สึกว่าความดีของเขามันไม่ค่อยมีความหมายแล้วต่อเมื่อเขาจากไปกระทันหันถึงคยมาเสียใจว่าโอ้เราไม่ได้ทำดีกับเขาเลยหรือไม่ได้ทาดีกับเขาเท่าที่ควรอันนี้เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากเพราะว่าความที่ เหมินเฉยนะความดีของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณแต่แน่นอนถ้าเขารู้ว่าพ่อแม่เขาจะต้องจากไปในเร็ววันเาจะไม่ทำอย่างนั้นเขาจะทำดีพูดดีด้วยนะกลับบ้านตรงเวลาพูดจาอ่อนหวานแต่ใครละที่จะตหนักแบบนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะ เขาเขาพูดว่าเนี่ยเข า, าทุกวันเนี่ยเขาจะระลึกอยู่เสมอว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะได้อยู่กับแม่เขาไม่มีพ่อนะเวลาเขาเจอแม่เนี่ยเขาจะเตือนตัวอยู่เสมอว่านี่อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาพูดจากับแม่เขาจะพูดจาดีๆหรือเวลาแม่ตักเตือนเขาจะไม่พอใจแต่เขาก็จะข่มใจจะไม่พูดกับโชคโขค่าจะไม่ทําตามอาเภอใจอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากคือว่าเราปฏิบัติกับทุกคนเสมือนกับว่าอยู่ด้วยกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายอาจจะไม่ไม่ต้องทุกคน ที่พบเห็นทุกวันก็ได้แต่ว่าต้องอย่างน้อยก็กับคนที่เรารักหรือคนที่เขารักเราผู้ที่มีพรอคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเพื่อนครูบาอาจารย์ถ้าเราระลึกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้พบกันไอการที่เราจะใช้อารมณ์กับเขาเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกใจเรา มันก็จะทำน้อยลงเราจะให้อภัยกันได้มากขึ้นและเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดถ้าเกิดมีกานเป็นไปอะไรขึ้นมาเราก็ไม่เสียใจอยู่ชีวิตด้วมีชีวิตด้วยความที่ไม่เสียใจประมาทไม่ได้นะในเรื่องพวกนี้และถ้าเกิดว่าเราตระหนักว่าความตายมันจะมาถึงเราได้ทุกเวลาเนี่ยไม่ใช่กับคนที่เรารักหรือผู้ที่มีพระคุณเท่านั้น ที่เราจะทําดีหรือกับเพื่อนครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่ว่าเราจะมันสร้างบุญสร้างกุศลเราจะพยายามทําความดีหลีกนีความชั่วนะหรือว่าไม่ไม่รุ่มหลงกับสิ่งที่มันเป็นความสนุกสนานชั่วเล่นพอสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สาระเลยเอาคนทุกวันนี้เนี่ยไปหลงใหลกับแสงสีวัตถุทรัพย์สมบัตินะเพราะคิดว่า มันจะอยู่กับเขาไปจนตายแต่เขาไม่เคยตระหนักว่ามันไอสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเขาเพียงแค่ชั่วคราวเวลาตายก็ออกไปไม่ได้แต่เวลากล้จะตายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยหรือแม้กระทั่งเวลามีความทุกข์หนักๆความทุกข์จัดๆนี่รับสิ่งเงินทองก็ไม่ช่วยนะ มีนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นหมอนะแต่ว่าตอนหลังมาแต่งงานกับนักธุรกิจก็เลยเลิกอาชีพหมอมาทำธุรกิจกับสา ม, มีก็จเจริญรุ่งเรืองนะธุรกิจ ก, ก็ระดับหลายร้อยล้านเธออยู่ได้แค่สมสกว่าปีสา ม, มีขอหย่ามันเป็นข่าวร้ายที่เธอคาดไม่ถึง พอสามีหย่าไปนี่ชีวิตเธอมันก็ไม่มีอะไรเหลือเลยมันเคว้งไปหมดที่จริงก็มีเงินอยู่เยอะนะมีเงินเป็นร้อยล้านมีรถมีบ้านแต่เธอกับลูสาวไม่มีอะไรเหลือเลยหมดหมดทุกอย่างสับสนอื้ออึงเธอมีเม็ดเธอมีเพชรเนี่ยอยู่ในถุงเนี่ยหลายสิบเม็ดนะไอตอนที่ มีความสุขเนี่ยสำเร็จเนี่ยเอาเพชรมามาเรียงดูมีความสุขมีความสบายใจที่ได้เห็นเพชรแต่ตอนที่เธ อ, อเสียศูญเพราะว่าผัวทิ้งนี่เอาเพชรมาดูทีละเม็ดทีละเม็ดเป็นสิบสิบเม็ดมันไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยมันเหมือนกับหินธรรมดาธรรมดา ไม่มีความหมายเลยเดี๋วว่าแต่เพชรเลยนะเงินร้อยล้านที่มีในธนาคารก็ไม่ได้ช่วยอาหารที่อร่อยกินไปก็ไม่มีความหมายลิ่นมาไม่รับรสมาไม่รับรู้รสชาติแล้วตอนนั้นนี่ถ้าตายได้ก็คงอยากจะตายในในยามที่เราทุกข์ในยามที่เราสูญเสียเนี่ยไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะ แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือธรรมะธรรมะหรือว่าใจที่มั่นคงใจที่เห็นตระหนักว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาความพัดเป้าสูญเสียเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นกับทุกคนหรือสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็ารู้จักเอาเอาธรรมะหรือเอาจิตใจเป็นที่พึ่ง เราลองเถอกหัมาสนใจธรรมะนะแล้วก็ก็ทําให้คลายจากความเศร้าโศกได้กลับมาตั้งตัวใหม่กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองนะแทนที่จะเอาชีวิตจิตใจไปฝากไว้กับอดีตสามีหรือคนที่เคยเป็นสามีก็ถอนมาธรรมะจะทําให้เราเนี่ยมีจิตใจเป็นที่พึ่งดูสามารถพึ่งตนเองได้หลายคนนะเอาใจไปฝากไว้กับเพื่อน นะเพื่อนไม่รับแอดเราเป็นสมาชิกใน Facebook เราก็เสียใจหรือเพื่อนเคยแอดเราแต่หลังก็ตัดเราทิ้งหรือว่าไม่มาคอมเมนต์ใน facebook ของเราไปคอมเมนต์ a c e b o o k ของคนอื่นมีอะไรก็แท็กให้เพื่อนไม่แท็กมาที่เราเสียใจนะมีหลายคนทุกขเพราะเหตุนี้นะบางทีมีคนหนึ่ง เพื่อนจะไปเรียนเมืองนอกนะก็ไปส่งที่สนามบินนัดวันกันเอาไว้เรียบร้อยแต่ว่าบาังเอิญพ่อเนี่ยมีธุระต้องไปต่างจังหวัดไม่มีคนขับรถขอให้ลูกสาวช่วยขับให้หน่อยลูกสาวก็เลยอาสานนะทั้งทงที่มันเป็นช่วงเวลาหรือวันเดียวกับที่ต้องไปส่งเพื่อนแล้วก็บอกเพื่อนด้วยนะว่าไปไม่ได้นะไปส่งเพื่อนไม่ได้นะที่สนามบินเพราะว่าต้องไปส่ง ขับรถไปส่งพ่อต่างจังหวัดพ่อก็ไม่ค่อยสบายขับเองไม่ได้บอกว่าเพื่อนที่เจ้าตัวที่จะไปสนามที่บินไปเรียนต่อเนี่ยไม่พอใจว่าทําไมเธอไม่มาไม่มาไม่มาส่งชั้นที่สนามบินก็ต่อว่าส่วนเด็กที่เลือกพ่อแล้วก็ไม่ไปส่งเพื่อนก็เสียใจ แต่ว่าเพื่อนนี่ทำไมทํากับเราอย่างนั้นกลุ่มใจมากนะทั้งที่เธอทําถูกนะเพราะว่าถึงแม้เธอไม่ไปส่งสนามไม่ไปส่งเพื่อนที่สนามบินเพื่อนก็ยังไปได้ไปเรียนต่อได้แต่ถ้าเธ อ, เธอถ้าเธอไม่ขับรถไปให้พ่อนี่พ่อคงจะไปทําทุนละไม่ได้แต่เธอก็ทุกทุกเป็นเดือนเลยนะพ่ออะไรพ่าไปแคร์ความรู้สึกของเพื่อนมาก คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้มากนะคือเอาใจไปฝากไว้กับความรู้สึกของเพื่อนเอาใจไปฝากไว้ความรู้สึกของแฟนเอแฟนทิ้งแฟนแฟนไม่ไม่คบเราก็กู่มใจจะฆ่าตัวตายรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าอันนี้เป็นมากนะไม่ใช่เฉพาะกับเด็กวัยรุ่นนะผู้ใหญ่ก็เป็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันไปผูกติดอยู่กับความรู้สึกของผู้อื่นเราจะมีความ ความสุขต่อเมื่อคู่เนี่ยก็แคร์เราก็าให้ความสําคัญกับเราอันนี้คือชีวิตที่ไม่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่มีตัวเองเป็นที่พึ่งและที่ไม่มีตัวเองเป็นที่พึ่งได้ก็เพราะไม่มั่นใจในความดีของตัวถ้าเราหมั่นทําความดีเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเราเองเราจะพบว่าคุณค่าของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สายตาของค น, คนอื่น ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาด้วยซ้ําไม่ได้อยู่ที่ยี่ห้อโทรศัพท์ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรบางคนนี่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช่รู้สึกมีปุ่มดอยขาดความมั่นใจบางคนมีสิยวก็ขาดความมั่นใจบางคนไม่มีเสื้อผ้าสวยๆก็ขาดความมั่นใจรู้สึกว่าคุณข่างตัวเองไปปูกติดอยู่กับสิ่งของมันเปลือกนอกทั้งนั้นหรือคุณข้างตัวเองก็ไม่ได้อยู่ที่สายตาของใครเมื่อจะเป็นเพื่อน แต่อยู่ที่การที่เราได้ทําความดีเรามีความมั่นใจในความดีของเราและคนเราจะมันทําความดีจนเกิดความมั่นใจแต่ก็พราะไม่ประมาทกับชีวิตด้วยไม่ประมาทกับไม่ปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปไม่เพลินไปกับความสนุกสนานแสงสีเราก็ว่ามันจะเป็นที่พึ่งเป็นสารณะของเราได้ นะเพราะฉะนั้นเรื่องความแม่ประมาทนี่สําคัญมากนะนะเป็นเป็นธรรมข้อสําคัญในพุทธศาสนาเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยธรรมะทั้งปวงเนี่ยทนะ่านพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยรอยเท้าช้างเนี่ยนะมันสามารถที่จะคลุมรอยเท้าสัตว์ทุกชนิดในป่าได้สัตว์ทุกชนิดเนี่ยรอยเท้าเนี่ยมันรวมแต่รวมลงอยู่ในรอยเท้าช้าง ชันใดก็ฉันนั้นอัปปมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทนะก็เป็นธรรมะที่คลุมธรรมะทั้งหมดที่พระเจ้าได้สอนนะธรรมะทั้งหลายที่ผมได้สอนนี้ก็มารวมลงอยู่ในเรื่องอัปปมาท ธ, ธรรมความไม่ประมาทก็เ ม, มื่อไม่ไปไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในในความดีและความดีไม่เพียงเล็กน้อยก็ทำํำนะเห็นหมดเห็นเห็นปลามกลางตายก็ช่วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถึงแม้ว่าทำบุญกับสัตว์เหล่านี้จะเป็นเล็กเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ทำความดีทุกอย่างแม่เล็กน้อยก็ทำความชั่วแม่เล็กน้อยก็ไม่ทำเพราะว่ามันจะส่งผลตามมาภายหลังมากมายอันนี้ก็พราะการตระหนักความไม่ประมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราเระ ล, ลึกอยู่เสมอนะว่าชื่อเรามันไม่เที่ยงชื่ออย่างคนที่เรารักก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็หมั่นทำความดีกับเขา ทุกเวลาที่มีโอกาสทำผิด ก, ก็ขอโทษขออภัยและขณะเดียวกันก็ทําความดีให้กับตัวเราเองจนกระทั่งเรามีที่พึ่งได้ไม่แคร์ไม่แคร์สายตาหรือความรู้สึกของใครถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราเองคุณค่าของตัวเราเองเอาละชันี้ก็พูดกันเท่านี้เอากลับน